สติมันเกิดขึ้นได้ในในรูปแบบอนะไม่นจะช่วยพอเวลาเราไปทําการทํา ง, งานข้างนอกนะมันก็จะมีสติได้บ่อยขึ้นแต่ตอนซ้อมในรูปแบบก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าถ้าเราจะเอาไปสติไปดูความคิดไปดูจิบไปดูทายขณะที่มันต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆหรือว่าต้องคิดเึ่งการเรื่องงานต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากๆบางทีม มันไม่ไหวมันไม่ค่อยมีกำลังเพราะนั้นการจะทำให้จิตมีกำลังเขาอะมาศัยการกระทําในรูปแบบไป เ, เสริมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทําตลอด24ชั่วโมงหรือว่าทําทั้งวันทั้งคืนเ แ, แล้วก็เสริมใ น, ในรูปแบบวันละ2ชั่วโมงชั่วโมงนึงแบบนี้ก็ได้นะแตบบแบบ่เพราะว่าพอเราคุ้นเคยกับการซ้อมในรูปแบบพอมันเคลื่อนไหวนอกรูปแบบมันก็จะรู้สึกกัวได้ ได้ขี่ขึ้นเลยมันจะมีกำลังมากขึ้นมีคนมาเล่นเพิ่มาเราทำอะไรสำคเราไม่นิที่ต่อแต่เราจะทำยังไงคนอยู่เพ่อเนแต่กลัืไม่อากไม่ไม่อยากคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะนรัจะเรดูกว่ากันหอยงแวย มันก็พูดยากมันแล้วแต่ว่าเทสนั้นคือเขามีเขารับได้ขนาดไหนนะบางทีเขาทุกแล้วเขาก็งคงคล้ายๆมันก็คงร้อน อ, อกเขาแล้ะเขาก็เลยต้องการหาที่ระ บ, บายบ้างแต่ถ้าเราปฏิเสธแบบมไม่แนะนำเข้าไปแรกก็ไม่ไปแล้วตอานั้นก็ยัเรื่องเดิมอยู่แล้วก็ม า, าขอคำแนะนำอีกเย แต่ขึ้นมาว่ารู้ะเป็นอาตมาเองนะแต่ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกกรณีแต่ถ้าจะมาปฏิเสธไม่ได้ก็ตามแบบยิ้มๆไปก็คือว่าแต่ก็ยัง แต่ไม่แค่แต่ความความทุกข์ใจของเราเกิดในแง่ว่าไม่อยากให้เข้ามาฟังซ้าอีกใช่ฮะใครๆคืแล้ ว, วลบ า, ทางทีก็ห้ามไม่ได้หรอกบางทีก็คิดเราไม่คิดไงเราฟังก็เลยห่เราไม่คิด เ, เรารู้ว่ามันไมของเค้าอ่ะมันฝังในใจฝั้วเราะไม่อากม ก็ดีเลย ก, ก็ดีเลยก็ดีเลยดีเราก็มีหน้าที่รับฟังแล้วก็เราเห็นว่าวิธีการที่น่าจะช่วยแก้ไขก็ได้แบบแบบไหนเราก็แนะนําไปแต่คราวนี้เราก็ต้องวางใจนะเพราะว่าบางทีเขาจะทําได้ทําไม่ได้ก็ก็นั่นเป็นอีกเรื่องแต่เราได้ทําหน้าที่ในการรับฟังแล้วก็แนะนําแล้วแม้เขาจะมาอีกถ้าเรา เราฟั ง, ง แ, แล้วก็แนะนําได้อีกเราถ้าทำแต่ถ้าไอ้มาบางคนไม่เข้าใจหรือบางคนเรื่อหลายครั้งราคาวล้วก็พูดตรงๆออกไปก็ได้ในเงี้ยพูดตรงๆไม่ใช่ว่าแบบแบบเรียกว่าเป็นตอบกลับไปไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงอธิบายไปว่าเราบางขณะเราก็มีคล่องที่จะฟังก็บอกไปได้ก็ไม่ใช่ว่า จะตั้รับครั้งบางขนาดเราไม่พร้อมทีม่จะฟัง ม, มีเรื่องการเรื่องไรอย่าง อ, างอื่นแล้วก็อธิบายตามความเป็นจริงความรู้สึกไปนะว่าอธิบายแล้ ว, ลวไม่เป็นไรแต่เชื่อจะได้ถ้าพอเชื่อจะได้ก็ช่วยไปแต่ถําพอมันไม่ไหวจริงเราก็ต้องรู้จักปฏิเสธบ้างา ก, การรู้จักกล้าปฏิเสธก็เป็นก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ดีนะเพราะสำหรับบางคนคนไทยหลายคน ไ่เคยกล้าปฏิเสธออืยอมยอนหรือว่าอะไรไปหมดถ้าโดยจริงทีมันมีความกลัวแต่ละนั้นกลัวเขาไม่ชอบบ้างกลัวเขาไม่รักบ้างกลัวเขาอ่ไม่เข้าใจเราบ้างทีมเขามีแต่ถ้าเรารู้ทันว่าอ้อความกลัวที่ไม่กล้าปฏิเสธตัว อ, อย่างตรงนี้แล้เราก็ปฏิเสธอย่างเรียกว่าบัวไม่ช้ําน้ําให้ขุ่นเลยว่า ดยเหตุด้วยผลด้วยอะไรก็ แ, ใใรแล้วแต่ก็อธิบายทุกอย่าได้แต่สำหรับบางคนขวานปาดเรียกว่าขวานพาดซากเกินไปก็ก็ต้องระหว่างต้องพู่ตัวเองเนาะบางทีก็อืมันก็มีไม่เป็นะไรแต่บางทีคนเนี้ยแต่แต่เลคแต่และเิ้เมอาจจะไม่บอกบอกไม่ได้หบอกว่ามันต้องฮาตูเป็นแบบไหน <laughs> 1, 2, 3, 4, like ไหนึ่งสองสาสี่ห้าเป็นแบบไหนก็ดี แม้แต่คนเดียวกันบางเวลาเราก็ยังทําแตกต่างกันไปอืมมันก็บอกไม่ได้ว่าสติมันมันจะบอกให้ทําแบบไหนแต่ที่แน่ๆถ้าเรามีสติมันจะสติมันจะคล้ายๆบอกว่าควรจะทําแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกครั้งนะบางทีที่เราบอกว่าควรเป็นแบบนี้แต่บาทีทำไปพูดไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่ถูกก็ได้แต่ถ้ามีสติมันจะยอมรับว่าอ๋อ ในเมื่อทําไปแล้วในเมื่อพูดไปแล้วในเมื่อปัญญามันมีแค่นั้นทำไปแล้วก็ไม่ต้องเขาวุ่นใจว่าไม่น่าจะทําอย่างนั้นเลยน่าจะทําอย่างนี้ก็มันก็ไม่ต้องวุ่นใจใคล้ายๆมั น, มนเราแค่ปัจจุ บ, บันพอคิดอะไรไปได้ก็พอคิดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นก็วางใจแค่นั้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวต้องเอาดีเลอร์กรเกิดที่สุดอะไรก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ยอมรับผลในการเกิดขึ้นเป็นั้นได้เลย พี่นี่เองเค่ผ่าปุด่อยสินอกในช่วงไวั่วนะค่ะส่วนสิบนอกเขาเล่าเสลียเอาได้ผลทีนี้แกรเลาเื่ปัญหาแกงให้ฟังฉันจะไล่ไปมอญเดี๋ยวใกามเล่าดีเได้ผเหมือนกันนะค่ะเอออย่าไปปิดอย่าไปปิดกล้านั้นให้กลมาวัดดีกว่า แดี๋ยก็อาจจะเจอคนในวัดคนอื่นที่เขาเห็นเห็นท่าทางว่าน่าเล่ากว่าเราก็ <c oughs> ยังไปเล่าคนอื่นแทนแต่อย่างไรก็ก็ดีนะอย่าไปผักบางทีคน ม, มีปัญหาถ้าพอเจ่วันหน้าก็ อ, อย่าไปผักเขาออกไปเพราะบางทีมันเขาไม่มีที่พึ่งอ่ะบางทีถ้าไปพึ่งอย่างอื่นไปพึ่งคนที่ไม่มีธรรมะไปพึ่งคนที่ไม่สนใจเรื่องธรรมะมันก็ จะแนะนำํำจะไปทางผิดอะ่ะใช่ไหมแนะนําจะไปทางแก้ทุกแบบหรือว่าสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกแต่อันนี้ในกรณีถ้าเราไม่ไหวจริงๆคล้ายๆเหมือนคนจมน้ําเนาะเราว่ายน้ําไม่เป็นที่จะไปช่วยเขาก็ตายทั้งคู่มันก็ไม่ใช่ก็ต้องเออถ้าพอเปไ็นได้ก็เออเราก็รู้ว่าเราตอนนี้ไม่พ้อมที่จะไปช่วยใครว่ายน้ําไม่แข็งว่ายน้ําไม่เป็นก็แนะนําให้เขา หาตัวช่วยคนอื่นหรือว่าแนะนำํำคนอื่นให้มาช่วยเขาเลยนะแล้วก็แค้แบบนี้เอาไปได้ไม่ใช่ว่าไม่ประมาณตนเองแล้วก็เขาก็เสียหายเราก็เสียหายัไม่ใช่แต่จริงเห็นไว่าแค่รับฟังแบบอยังมีสติตก็เป็นก็โอเครับช่วยให้เขาผ่ายทุกข์ได้ ในจริงในตัวเราก็เหมือนกันนะบางทีมันมีความทุกอะไรก็แล้วแต่บางทีอาการมีสติมันเหมือนคล้ายๆรับฟังแบบเฉยๆไม่ได้คิดอะไรก็ก็แค่รู้ว่ามันคิดแบบไม่ต้องไปไปวิพากษ์วิจารณ์มันต่อนะไม่ต้องไปปรุมต่อมันก็หายไปมันก็หายไปก็จบแค่นั้นก็พอตัวเราเองก็เหมือนกันนะความทุกในตัวเราเองถ้าเรารับฟังตัวเองเป็นจริงๆนะ มันก็จะผ่านไปมันก็คล้ายๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้บนบ้างได้ระบายไปบ้างในความคิดแล้วก็จบไปแค่ความคิดก็มีแล้วก็คล้ายออกไปในถ้าใจเราเป็นฟางใจเรากแบบับไม่ไปวิภาวิจารณ์ต่อไม่ไปคิดต่อไปไปคุมต่อนะรูปการมันก็จบนะแต่บางทีก็ เป็นมา่ยอะคนส่วนใหญ่รับฟังก็ไม่ค่อยจบหรอกไปคิดต่อไปปรุมต่อตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีก็ถ้าเป็นแบบนี้นก็รู้ทันมันเช่นบางทีเข้ามาพูดต อ, ตอนค่ําเนี่ยตอนกลางคนก็น้อนไม่หลับเลยก็นอนดูแบบนั้นแหละแต่ไม่ใช่เป็นนอนคิดนะนอนดูลมหายใจนอนดูกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็เห็นความคิดมันแทรกเข้ามาแบบเนี้ย ให้ดูแบบนะี้ใจเราจะไม่กังวลแต่ถ้าเราใจเราไปกนะังวละเขาไม่น่ามาพูดตอนนี้เลยใช่ไหมทําให้เรานอนไม่หลับเือนนะั้นถ้าเราไปคิดแบบนะี้มันยิ่งทุกข์ใจใหญ่แต่ถ้าในเมื่อนอนไม่หลับแล้วในเมื่อคิดแล้วแทนที่จะเพิ่มความทุกข์ไปก็ปล่อยไปเลยพอนอนดูดูลมหายใจนอนดูความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแกนหมือนนี้จิตใจมันจะเบาสบายนะมันจะเบาสบาย แม้ยังนอนไม่หลับอยู่แม้ยังคิดอยู่แต่มันก็เบาสบายได้ขนาดนีนะ้เนาะก็ดูนะั่นคือธรรมชาติมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ทั้งหมดนะเด็กคนอื่นเราก็ห้ามไม่ได้แต่ที่จริงการกลับมาเห็นตัวเองเนี่ยมาเห็นว่ากายหรือใจที่เราว่าเป็นตัวเองมันยังห้ามไม่ได้เนี่ย ความอยากที่จะไปห้ามคนอื่นจัด จ, จัดการเข อ, อื่นเนี่ยมันจะน้อยเจอกรทั่งมันมันรู้เลยว่าจัดการไม่ได้อย่างแท้จริงหรอกมันจะอาการที่จะไปโทษคนอื่นไปตำหนิคนอื่นไปจัดการเข อ, อื่นเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปนอกจากมันสมควรต้องแนะนําหรือว่าจัดการตามเหตุตามปัจจัยก็ทำนะัก็ทำมันก็ทำแต่ก็ทำโดยการวางใจว่า อาจจะได้หรือไม่ได้ก็เป็ น, นเรื่องแต่เราเป็นเหตุเป็นต้นใจที่อยากจะให้มันดีขึ้นแล้วก็เห็นส่งทวนที่นแนะนําที่จะบอกที่จะสอนแล้วก็ทําแต่มันจะรู้เลยว่าไม่เด็ดกายเจ็ใจตัวเองยังจัดการไม่ได้ทั้งหมดเลยนะมันบังคับไม่ได้จริงๆถ้าเรายอมรับความจริงมันก็ไม่ทุกยอมรับความจริงของกายของใจตัวเองก็ไม่ทุกยอมรับความจริงของกายของใจคนอื่นเราก็ไม่ทุกเหมือนกั น, นแต่ก็แนะนําได้ ให้นําได้บอกบอกบสอบสอนพิทศานิดความจริงของชีวิตเรื่องทางปฏิบัติธรรมมันก็เป็นเรื่องแบบนี้นะอาจจะไม่ใช่ศาสตร์นะที่พูดให้ฟังมเหมือนเป็นทฤษฎีเหมือนเป็นวิชาการแต่ในภาพปฏิบัติจริงเป็นคล้ายๆเหมือนศิลปะขึ่งมันต้องประยุกต์ใช้เองซึ่งเราบอกไม่ถูกหรอกนะบอกไม่ถูกว่าแบบไหนแต่แตสติมันเหมือนเป็นศิลปะในการในการใช้ชีวิตใชชีวิตแต่เราเรียนรู้หลัก หลักการศาึกษาเป็นวิชาการไว้เพื่อที่ได้ไม่หลงออกจากหลักตรงนี้ยมันจะศิลปะมันจะช่อยให้เราไม่หลงในการใช้ชีวิตเพาให้ชีวิตมันก็เรียกว่ามันเดินทางสู่ความมิตรทุกข์นะแล้วก็มันก็เป็นการมิตรให้คนอื่นให้เขาคลายความทุกข์ให้เขาไม่ทุกข์ด้วยเหมือนกันนะถ้าเรามีสติเราเย็นเรามีธรรมะเนี่ คนเข้ามาร้อนคนเข้ามาทุกทุกเนี่ยบางทีเขาก็สบายใจนะสบายใจได้อยู่ใกล้กับเราบ้าได้อยู่ใกล้กับคนที่จังใจฟังไม่เพิ่มความทุกข์ไม่ไปโทษขเขาเนี่ยเขาก็สบายใจแล้วแต่ถ้าเราร้อนคนอื่นมาร้อนก็ยินร้อนเปนไปใหญ่เราร้อนคนอื่นเขาเฉยๆมาก็สะพัสความร้อนของเราอีกก็ไปจิตไปร้อนต่อคนอื่นอีกก็มไม่ดี ้เริ่มต้นที่ตัวของเรานะทำได้ขนาดไหนก็ทำเท่านั้นแหละแล้วก็ค่อยๆขยายไปสูีมีอะไรไหมใครถามอะไรหรือเปล่าก่อนบเลยน ว่าเร า, เราทำตัวอย่างของเราให้ใหดีก่อนเช่นเช่นวเรารักษาศีลเราปฏิบททัติธรรมแล้วเราเกิดความสุขเราเกิดความเย็นใจแบบไหนมาว่าถ้าคนรอบข้างเขาเขามีเป็นยาเขากอสนักได้ว่าอ้อคนมีศีลมันก็มีความสุขมีความสงบแบบนี้เนาะคนมาปฏิบัติธรรมมันมันดีขึ้นแบบนี้เนาะนะ เขาก็จะค่อยๆสนใจภาวนาเองแต่นี้ก็คืนเรื่องของเขานะแต่ถ้าเราบอกได้ประจุมได้ประสอนได้มันก็ดีดีกว่าบางทีคนมีศีลตอมาปฏิบัติธรรมพากลับไปบ้านไปอยู่ที่ทํางานก็ด่าเขาสดไปร้อนไปอะไรเนี่ยคำว่ามันคล้ายๆเหมือนแต่ที่เราจะช่วยโฆษณาธรรมะนะแต่เรากลับกลายเป็นแบบเป็นการดิสเครดิตธรรมะ เป็นในตัวมาปฏิบัติธรรมนีท่าไหนร้องผมร้องไห้คลุกร้อนใจร้อนเหมือนนันหลายคนแบบนี้นะมาเคยเจอบางคนอยากจะเป็นคนช่วยสอนมูน้สึกว่าเผยแผ่ธรรมะจรินธรรมะมีคุณค่าจริงๆแหละแต่ก็ไปหมกมุ่นในการเผยแผ่หมกมุ่นในการอยากจะช่วยคนอื่นจนกทั่งแต่พอตัเองเจอปัญหา ร้องโยร้องไห้เสียใจวางใจไม่เป็นพอเจอสะพบบ้างนะมันก็เลยแบบทำมาว่าบางทีคนเขาก็ดูกันนะเอิ่นคนอยากจะเผยแพร่ธรรมะกับทุกแบบนี้เองอถ้าภาษาหลวงพ่อเขาบอกว่าคนฟอมขายยาอ้วน ก็ใช <G ül üş> ่สมัยก่อนมันอาจจะเป็นนะหรือบางทีคนอ้วนขายเอาสมัยนี้อาจจะเป็นคนอ้วนขายยาลน้ําหนักนะ<ม>ยังไงตัวเองยังทาไม่ได้แต่ก็พยายามบอกว่าอันนี้มันดีก็มันก็เริ่มต้นที่ตัวเราเองนะแต่ทีคนอื่นนะมาว่ามันก็ไม่ถึงกับยากเกินไปแต่ก็มันก็เป็นเรื่องที่เหตุปัจจัยของเขาเป็นแบบเราก็เป็นเพี่เหตุปัจจัยมื เราอาจจะเป็นสมมุติสามีโยมเพื่อนโยมลูกโยมอะไรเนี้ยเนาะเราก็เป็นแค่เหตุปลใจัหนึ่งแต่จริงรอบๆตัวเขาก็มีหลายคนหลายสิ่งแวดล้อมนี่ยเราก็แค่แนะนําได้บอกได้แต่ก็ต้องวางใจด้วยว่าเขาจะมาหรือไม่มาก็เป็นเรื่องหนึ่งมไม่แน่บางคนก็อาจจะรอถุงเช้าจนจริงๆค่อยคิดได้ก็มีนะมไม่ใช่ว่าทุกคนอย่าง มีอะไรมาฟังแบบนี้เราก็แบบวางใจสบายนะบางทีเนีย่ยคนใกล้ตัวเราบางทีก็ไม่สดใจธรรมะเท่าไหร่นะแต่แต่ฟังเรื่องราวพระสารีบุตรแล้วก็สบายใจนะ <c oughs> พระสารีบุตรเนี่ยมาบวชกับพระเจ้าต้งมานานนะเนาะน้องชายพระสารีบุตรก็มาบวชหลายคนเรียกว่าในครอบครนะัวน่ะมีคนมาบวชจนห้าสิบพักละหันหลายคนเลยนะแต่แม่พระสารีบุตรเนี่ย <c oughs> ยังนับถือพาม์ นำนังสือเทวดาต่างๆเยอย่างใหม่แล้วก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบพุทธศาสนาว่ามาภากรูปออกไปบวชเซนทราหมดเลยแทนที่จะเป็นทัพสืกธรรมแบบเดิมดีแล้วเหมนะั้นก็โอก็ไม่ชอบพระไม่ชอบพุทธศาสนาก็สายที่บวชถ้ามีปัญญามากลองจากพระพุทธเจ้านะแต่บวชที่ท่านจะช่วยแม่ท่านได้ คือวันที่ท่านจะตายคือลูกชายของท่านคนอื่นก็เป็นพระอรหันต์นะมีเป็นยามากเหมือนกันก็ช่วยไม่ได้พระตาลีบุตรก็ยังช่วยไม่ได้มาช่วยได้สุดท้ายตอนวันตายของท่านนะฮะก่ อ, อนตายมาโปรดโยมแม่สักหน่อยโยมแม่ค่อยเห็นอานิสงค์ค่อยๆใจเจอท่านอุทานว่าทำไมเพิ่งมาบอกแม่แบบนี้ทั้งที่ไม่ใช่หรอกนะบอกมานานแล้วแต่แม่ไม่ฟัง S 1> <S 1> บอกมานานแล้วแต่ไม่ฟังอบางทีบางคนก็เป็นแบบนั้นอยู่มันก็เป็นเรื่องเหตุผดใจแต่หลวงพ่อนนะหลวงพ่อท่านบอกแบบนี้บอกว่าบางทีเราเห็นคนคนไม่ดี <c ười> เห็นคนผิดบอกว่าให้วางใจแบบนี้บอกว่าวันนี้เขายังไม่ดีอ่ะพรุ่งนี้เขาอาจจะดีก็ได้พรุ่งนี้เขายังไม่ดีก็อาจจะเดือนหน้าก็ อ, อาจจะดีก็ได้เดือนหน้าเขายังไม่ดีก็อาจจะปีหน้าอาจจะดีก็ได้ ปีหน้ า, า จ, จะยังไม่ดีก็อาจจะช้าน้าก็ไดนะ้คือให้วางใจนะียพอเราวางใจนี่มันสบายมไม่ไปเร่งรัดเกินไปนะแต่ก็คิดว่าทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาได้ถ้าเราวางใจแบบนี้ได้นะเราจะไม่ปิดกั้นเลยว่าไอคนเนี้ยมันชั่วมันต้องชั่วตลอดไปใช่ไหมถ้าเรามองแบบนะี้มันเหมือนปิดกัน้นศักยภาพของเขาแต่ถ้าเรามองแบบเหมือนข้อมา เขมีศักยภาพที่จะดีอยู่แต่เป็นเว่าก็ต้องรอเหตุปัจจัยหรือว่ารอความพร้อมในใจเขาด้วยในการพันาหรือใจเราก็เหมือนกันนะบางคนคิดว่าเราคงปฏิบัติทําไม่ได้ในสิ่งไหนดอก <c oughs> คงได้นี้หน่อยไปก็ไปปิดกั้นตัวเองล่ะเออ่จริงวันนี้ยังไม่ได้ก็จิตตึ๊ใหม่ว่าวันหน้าอาจจะได้ก็ได้ถ้าเราวางใจอย่างนี้ยเราจะไม่ปิดกั้นทําตัว เ, เอง ไม่ปิดกั้นทำคนอื่นจะมองคนอื่นหรือมองตัวเองก็เหมือนกันมีแต่ยภาพที่จะบรรลุธรรมได้มีสต่ภาพทุกคนอาจจะเห็นว่าเหตุปัจจัยของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเกิดจากการสะสมสะสมในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปเรียกว่าไปโทษกรรมเก่านะไปโทษบุญวัฒนาไม่ใช่หรอกแต่การสะสมในที่นี้หมายถึงว่าการค่อยๆพัฒนาข้อคลุอินทรีย์อินทรีย์ ให้แก่กล้าขึ้นอินทรีคือความศรัทธาความขยันหมั่นเพียรความมีสติความมีสมาธิคือตั้งใจมากแล้วก็การมีปัญญาคือค่อยๆเพิ่มฟูนอินทรีไปเรื่อยๆคือเรามาสะสมอินทรีให้มันครอบคลุมเรื่อยๆที่จริงอามาร์ไม่ไน้ใจแต่มาเข้าใจว่าอย่างนี้นะ การบรรลุธรรมนะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีกิเลสมากหรือมีกิเลสน้อยแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีอินทรีย์มากหรืออินทรีย์น้อยอินทียก้าหรืออินทรีย์ไม่กล้าเท่านั้นกิเลสมากกิเลสน้อยเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ดอกว่าบางคนกิเลสน้อยบรรลุธรรมช้าบรรลุธรรมยากกว่าคนที่มีกิเลสมากก็ได้แต่การจะบรรลุธรรม มันอยู่ที่เรามีอินทรียก้าหรือมีอินทรียอ่อนอบางคนกิเลสน้อยนะเราสังเกตก็ได้บางทีเปรียบเทียบบางทีชาวบ้านะบางทีเห็นเขาแบบตั้งแต่สมาธิอยู่แบบง่ายๆแต่บางทีก็เหมือนมีธรรมะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่สุดเพราะว่าอะไรบางทีก็ติดอยู่กับแค่ระดับตรง น, นั้นก็มีแต่บางคนมีความกิเลสอย่างมากเลยมันโลภมากมันโกรธมาก จนกรงทั่งมีปัญหากับชีวิตมีปัญหากับคนอื่นใช่ไหกิเลสมากอัตราใหญ่แต่พอจุดหนึ่งพอความทุกข์บีบคั้นมากๆไปไ้สะสมสติปัญญาอินทรีแก่ก้าขึ้นเรื่อยๆมันก็สามารถออกจากความทุกข์ได้เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปโทษใครนะมาเริ่มต้นที่พัฒนาตัวเองให้มีอินทรีภประให้มันแก่ก้าขึ้นเรื่อยๆ ความเข้าใจความจริงก็จะค่อยเพิ่มขุ้นขึ้นขึ้นเองเนยก็ัไปพักนะ